แต่ก่อนเอาพัดลมนะมันเย็นแต่ น, นี้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แบบนั้นตลัปัดเป็นบอกตำแหน่งยศฐานบรรศักทตั้งไว้ตรงนันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ภูมิใจเหลือเกินนะแต่นั่งกับตลัปัดเนี่ยนี่ความภูมิใจ <c oughs> มันบอกยศแต่พระถ้าเป็นสายวัดป่านเขาจะเป็นพัดเหมือนกันนะจะเป็นพัดสีขาวนะเป็นพัดสีขาว พระในมือพัดแดงพัดอะไรเขาก็ว่าไปนะเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือยศพระอันนี้นยศพระต้อนนให้เยอะๆก็เป็นมากประราชาคณะคณะของพระราช า, าถ้าคนไหนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าถึงธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นอืพุทธคณะอันเนี้ยคณะของพระพุทธเจ้าอาันนั้นเราก็มีความ สุขในธรรมพวกเนี่ยทางโลกให้ไม่ให้หลวงพ่อพุทธธาสคนก็ให้ท่านเยอะนะแต่ท่านก็ไม่ได้ไปเอาสักอันเนะ่ะแต่เขาให้เนี่ยคนปฏิบัติ ด, ดนะีใครให้ทางคณะสงฆ์เพื่อชูเกียรตินี่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะงานเราจะเชิญคนไปพูดท <c oughs> ี่หอจดหมายเหตุก็ว่าจะทำ โลให้โลอหนึ่งก็เท่ากับคลองนี่แหละใหญ่มัอคงจะได้อุ้มกับบ้านใหญ่ตัวมัน <c oughs> หรืจะเอาเล็กๆ ก, ก็ไม่รู้อันนี้น้อยเท่ากับจานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันนะว่าทําความดีก็นมีหลักฐานบ้างอะไรประมาณนั้นนะมีโล่มีอะไรไปบั้งโล่ก็คือก็โล ก, กคือใบประกาศน่นะเนี่วุติบัตรน่ะเพียนแต่ว่ามันยกระดับราคามันขึ้นมาหน่อยนะ ยกราคาระดับราคามาขึ้นมาหน่อยมันก็จะโก้ขึ้นมาอีกระดับนึ่งเป็นการให้เกียรติให้เกียรติโอนไปด้วยถ้าคนรู้จักให้เกียรติคนเป็นงวนหน้าก็ดีเราเชินใครก็ง่ายขึ้นนะเราให้เกียรติคนเป็นถ้าเราไม่รู้จักให้เกียรติคนก็ อ, อย่างว่านะคําว่าให้เกียรตนะิคือศรัทธานะั่นเองเราศรัทธาเขานะ่ะภาษาบ้านเราเรียกว่าศรัทธา แล้วแสดงออกถึงความศรัท ธ, ธาความมีน้ําใจเนี่ยแต่ท่านิมนต์ใครมาวัดเนี่ยเขาไม่สนใจกเลยเอ้ยสมมุติที่เจอพระอะไรประมาณนี้เข้าไปมากรทิงเขาก็ไม่อยากมาได้ น, ะ, นะก็เหมือนให้เกียรติเขาศรัท ธ, ธาเขาศรัท ธ, ธาขึ้นต้อนรับมีสองแบบหนึ่งธรรมะให้ธรรมะปฏิสันถานธรรมะปฏิสันถานก็คือถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องคุณธรรมที่มีในตัวประเด็ น, นที่สองก็คือ อามิตรปฏิสันถานก็ให้ข้าวน้ำโภชนาะหารตามมีตามได้ทำธรรมดา น, นะเรเลี้ยงเครื่องดื่มอะไรประมาณเนี้ยเครื่องอยู่ของกินตามธรรมชาตินะ่ะอันนึงคือธรรมปฏิสันถานซึ่งมันลึกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยนียอันนี้เราก็เอาอนุเคราะห์สงเคาะกันลึกก็ตามมีตามได้ก็จะได้ไประโยชน์กับสังคมถ้าเราทำเป็นนะมันก็งามอ่ะ เหมือนดอกไม้นี่แหละถ้าอยู่ในต้นมันก็นงามไปคนละแบบเอามาใส่พวงมาลัยก็งามไปอีกแบบหนึง่งนี่เราก็เหมือนกันปฏิบัติต่อคนเนี่ยปฏิบัติได้อะสมมติเราก็รู้อะไรก็รู้นะแต่ถ้าปฏิบัติต่อเขาเป็นเนี่ยก็จะเป็นประโยช น, เ น, ยชน์เป็นประโยชน์ตรงที่อึ้อเขาก็ได้รับเกียรตินะเรามีการรับเกียรติยกย่องสรรเสริญเห็นดีเห็นงามซึ่งกันและกันก็ได้ประโยชน์อ่ะอื แล้วก็เป็นเครื่องมืออย่างพระพุทธเจ้าวันะเบียบวินัยนี่มันเหมือนยวดถาบรรดาศักดิ์นั่นบาีปฏิบัติเหมือนขั้นตอนโอ้ยผมต้องไหว้ต้องเคารพต้องกราบต้องไหว้นะมันที่เป็นเขาบอกว่าเป็นสังฆสุตตาเป็นความสงบแห่งสองหนึ่งละสองเอ่อเป็นไปเพื่อป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นความอวดดื้อถือดีเนี่ยในอนาคตสาม อทำลายกิเลสที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่้มันขยอขยแย ข, ขึ้นมาอีกนะสี่เป็นแบบอย่างที่สวยงามแก บ, บุคคลรุ่นหลังเห็นไหมนี่นะเป็นแบบยอย่างสวยงามแก บ, บุคคลรุ่นหลังเพื่อกําจัดอาสวะรมทีนี้ถ้าเราบอกว่ารู้ธรรมะแล้วอืสมมุติเฉยๆเรากนหนึ่ถ้ามันไม่เข่งคัดขึ้นมานกําจัดอาสวะไม่ได้อาสวะมันก็จะคอยนะคลิกออกมาทีละน้อยลน้อย ล, น, อย ล, น, อยลน้อยนะ้อยน้อย ถ้ามีสติดีแล้วก็เออสามารถสลายมันได้วางมันเป็นดับมันได้ทุกมันก็หายดินะทุกมันก็หายกิเลสมันก็คลายใจมันก็ตื่นก็เบิกบานนะแจ่มใสอืดังนั้นสภาวะทำใดๆก็ตามมันจะเกื้อกูลกันไม่ว่าโลกหรือธรรมโลกก็จเจริญธรรมก็จเจริญะเจริญทั้งโลกทั้งธรรมนะธรรมะเนี่ยนะแต่ถ้าบางทีจเจริญแต่ธรรมโลกไม่จเจริญก็เอาอีกละ ไม่มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นปัญหาก็คื อ, อจริงๆโลกก็คือต้นธทรรมก็คือผลนะนะเหมือนคนนี่แหละคนมีกายนะอยู่ข้างในมันคือมีใจมีสองอันมีกายกับใจเนะี่ยเมื่อวานนี่ไปเห็นคนตายลุงตาเอเดินจุ ก, กมไปเดินจุกมมานึกขึ้นมาว่าคนตายนี่บอกว่าเสียชีวิตคนตายเนี่ยว่าเสียชีวิต แต่คนยังเป็นคือคนยังมีชีวิตชีวิตคืออะไรก็ให้ครำนิยามความหมายของชีวิตว่าชีวิตคือรูปกับน้ำนะชีวิตคือรูปกับน้ำคือกายกับใจเอา้าเสียชีวิตคือกายก็ยังอยู่แต่ไปแต่ใจอย่างเดียวอันนี้ใจมันดับเฉยถ้ า, า, าไม่ถือ ว, ว่าเสียชีวิตเนาะก็เดินจุกลมตามไปตามไปตามไปอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเอา้า<อ> <c oughs> เกิดมีความรู้ประหลาดขึ้นมาใหม่อีกเมื่อนคือปกติมันไม่ค่อยติดใจอ่ะ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ค่อยติดใจยอยู่ๆมันมาติดใจเรื่องอะเอา้าในบอกว่าเสียชีวิตชีวิตที่ไม่เห็นมีตายอะไรประมาณนั้นนะเบลตาก็คือเสียชีวิตก็คือวิญญาณหลุดไปเฉยๆแต่รูปก็ยังอยู่ไม่ได้เสียรูปไม่ได้เสียนามอะไรเอ๊ะทำไมว่าเสียชีวิตเนาะก็เลยได้ความรู้ใหม่ๆกิดขึ้นมาเอา้าลงไปเดินโย ก, กมือเด้อลุยแหลกเลยเอาเป็นเอาตายเดีย๋ยวจะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมา ความรู้อะไรที่มันมาติดเขาในข่ายเขามาในขบเลยขบด้วยทิถีนี่ขบจนมันแตกเนี่ยนะเดินขอบอยู่นั่นนะอ่ะอ๋อมันจะไม่หลุดแล้วเนี่ยสองวันสาวันสี่วันห้าวันตัวเดิมมันต้องหลุดละบางทีทําไปสักสิบวันอืมเดี๋ยวมันก็หลุดได้ไปสักสิบห้าวันเดี๋ยวมันก็หลุดได้อะไรประมาณนั้นหรือว่าหนึ่งวันสองวันสองสามชั่วโมงมันหลุดได้แต่สําคัญว่าวเอาจริงกับมันไม่ตั้ในส่วนมากเวลาทําไม่ได้แล้วจะเบื่อหน่ายแล้วเข้าไปอยู่ในอารมณ์ซะเราเนี่ย ก็ไปจุอยู่ในอารมณ์แล้วออกจากอารมณ์นี้ไม่ได้ก็เลย้ยงนยิบไม่คุ้มค่ากับการลงทุนส่วนมากอ่าสภาวะจิตมันไม่แข็งพอเหมือนไฟนี่แหละถ้าไฟไม่แข็งมันก็ไม่สามารถเผาเนื้อเผาปลาให้สุกได้สมาธิมันไม่พอจะมาหุงต้มให้กิเลสหรือความสงสัยลังเลวิจิกิจฉาอารมณ์ตัณหาทั้งหลายมันดับเป็นอนัตตาหายไปแล้มันไม่หายนะมันก็ฝังอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นปัญหาก็ต้องไปเริ่มต้นตรงนี้ไหนเริ่มต้นตรงที่ ชาร์จแบตเตอรี่อัดตัวรู้เข้าเยอะๆเยอะๆเๆๆๆพอเกิดสวิตช์เนี่ยชึบออกไปเลยนะแต่ LIKE, หลายๆคนนะทั้งอัดทั้งอะไรอ่ะทั้งอัดแบตเตอรี่ทั้งเปิดไฟส่องด้วยเนี่ยมันจะไม่ออกแสงเล้นะแสงมันไม่ออกเลยต้องเป็นอันเดียวได้ส่องสว่างอย่างเดียวเลยส่องสว่างตอนนั้นเกิดชาร์จก็คือปิดไว้อย่าเพิ่งไปส่องนั้นเกิดจะไปคิดหาอะไรตอนปฏิบัติทํามเนียอย่าไปเปิดไฟไปด้วยชาร์จไปด้วยมึงไม่ได้เลย คือปิดไว้เลยรู้อย่างเดียวรู้สึกตัวชาร์ตอย่างเดียวอย่าไปเปิดเพราะว่าเครื่องชาร์จคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่มีผลถ้าคุณใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยฟันจะไม่เข้าอะไรประมาณนั้นนะอันนั้นเหมือกนการคิดหาไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยดิโอ้ยมันไม่เอาละมันไม่อยู่เหมือนกันเลยอันนี้ ชัดอย่างเดียวเลยรู้สึกตัวสังเกตไปเรื่อยๆดูรู้สึกเฉยๆไอ้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสติปัฏฐานสี่ไปในตัวคือสามารถดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูอารมณ์ก็ไปในตัวเลยะดูกายก็คือกายเคลื่อนไหวอยู่นี่เวทนาก็มันเมื่อยมันอะไรก็เห็นไม่เห็นจิตเฉยหรือคิดก็รู้ถ้ามันรู้เฉยหรือคิดเนี่ยอทำอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เขามันงงยินไม่เบื่อไม่ง่วงไม่เหงาไม่มันเห็นหมดอะหรือโล่งหรือโปร่งหรือมีปีติเกิดขึ้นมันก็เห็น่ะอัน การดูกายเบชนาจิตธรรมเนี่ยมันดูไปในตัวพร้อมกันเสร็จสับไปเลยอะขอแต่รู้สึกตัวบางคนไม่ไมไมค่อยพอใจมาปฏิบัติมั้งเฮ้ยกูยังไม่ได้อะไรเลยว่ะคิดหาอะไรได้ทีเนี่ยคิดหาคิดไปคิดมาเลยหลุดออกนอกกรอบไปเลยอ่ะมันเลยเพียนไปเลยะยิ่งเราสงสัยมากยิ่งเรายิดอยากได้มากยิ่งจะไม่ได้อ่ถ้าอยู่เฉยๆมันถึงได้อยู่เฉยๆคือพลังของสติเฉยๆคือพลังสมาธิ เฉยๆ น, นี่คือปัญญานั่นเองมันไม่ใช่ธรรมดานะว่าเฉยๆได้เฉยๆกับทุกได้เนี่ยมันต้องเป็นสติสมาธิปัญญาละมันต้องเห็นแล้วมันถึงจะปล่อยวางได้จะบางคนกลัวไม่ได้อะไรโอ้ยได้แต่เฉยๆว่ะเมื่อไหร่กูจะปัญญาสัทีมันลูกปูสังเนี่ยอพอมันเฉยๆหนะ่อยโอ้ยอยา่าเมาเป็นขึอ้นลองตาว่ะป่ะ่ะจะหาตำรับตำลา่าพอไปซื้อตำล่าก็พิษเล่มอีกละเนาะเพราะมันคิดหามันเป็นอีน่ะมันคิดหาอย่าไปคิดหานะ อหาเครื่องเทศมาอ่านมันก็มีตะปลาลากับหน่อไม้ตอนนั้น <c oughs> มันก็จะผิดสูตรเป็นดีนะเอา้ามทนา